ในสภาสวัสสังวรสูตรนั้นถ้าหากว่าผู้ที่เข้าใจในในพระสูตรเหล่านี้อย่างดีก็น่าจะเพียงพอเหมือนกันนะสำหรับการปฏิบัติในชีวิตจริงๆถ้าหากว่ามีการทรงจำได้นะมีการเอามาใคร้ครวนพิจารณนามบ่อยๆเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นทรัพย์ของเราเป็นอย่างดีเลยนะ ถ้าหากว่าเรามีศรัทธาในคําสอนอันนี้ก็ชื่อว่ามีทรัพย์คือศรัทธาแล้วใช่ไหม mm hmm. เมื่อเรา ล, ลึกถึงคําสอนเหล่านี้เนืองๆ mm hmm. เ, เราก็มีทรัพย์คือสตนะิที่จริงสติไม่ได้อยู่ในอริยทรัพย์แต่ก็ชื่อว่าเป็นทรัพย์ด้วยอย่างหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าอยู่ในสุ ต, ตะพหูสูตรถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ได้บ่อยๆ mm hmm. ก็ชื่อว่าเป็นคนที่มีหิริโอตปาเนะ่ยนะ เพราะว่าถ้าอาสวะเกิดฮิริโอต ป, ปะก็ไม่เกิดถ้ามีการพิจารณาหิริโอต ป, ปะก็เกิดเพราะฉะนั้นคนที่มีการพิจารณาบ่อยๆก็ชื่อว่ามีอริยทรัพย์คือฮิริโอต ป, ปะถ้าหากว่ามันทบทวนสาธยายตามเพ่งตามตรึกตามพิจารณาบ่อยๆก็มีทรัพย์คือสุตตะ แล้วก็เริ่มมีการละคลายบาปอกุศลไปตามนั้นก็ชื่อว่ามีรัพ์พืจากะไปด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าพิจารณาความจริงตามคำสอนเหล่านี้ได้เท่าไรเข้าใจทราบซึ้งเท่าไรเข้าถึงใจได้เท่าไรอันนั้นก็เป็นทรัพย์คือปัญญาของเรานะกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นในชีวิตมากขึ้นชีวิตก็เป็นชีวิตที่ไม่ไม่แห้งแงล้งแล้วนะ ทำให้งานเนียยวนานี้เนี่ยไปที่ไหนก็ไม่มีสดชื่นอะไรสักอย่างฝุ่นคระครุ่งไปหมดนะไฟได้เชื้อหน่อยกับลุกแล้วจิตที่ขาดกุศลธรรมก็ลักษณะนั้นได้เชื้อหน่อยโทสะ ก, ก็เกิดได้เชื้อหน่อยโลภะก็เกิดนะก็กระเคล้ากันไปทั้งบาปนั่นแหละมีแต่บาปอนะผสมกันล้วนๆเป็นไปครั้งที่แล้วก็กล่าวถึงเรื่องของ อาสะวะที่ละได้ด้วยการซองเสพน ะ, ะหมายถึงการใช้สอยปัจจัยสี่นั่นเองเมื่อใช้สอยปัจจัยสี่นั้นก็ต้องมีการพิจารณาการพิจารณาปัจจัยสี่นั้นก็คือศาธกะสัมปชัญญะในสติปทานเห็นในสติปทานก็เรียกว่าศาธกะสัมปชัญญะถ้าตามพระสูตรนี้เรียกว่าอาสะวะที่ละได้ด้วยการซองเสพ แล้วก็ถ้าโดยศีลก็นับอยู่เนื่องในจจตุ ป, ปริสุทธิศีลเรียกว่าปัจจยะ ส, นสันนิสิตศีลเป็นกุศลธรรมซึ่งมีความสำคัญมากปัจจัยสีน่นี้องค์ธรรมได้แก่อะไรโดยประมัดองค์ธรรมได้แก่อะไรปัจจัยสี่นะจีวอลคือเครื่องุ่งห่มใช้สอยที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารที่เรารับประทานองค์ธรรมได้แก่อะไร ได้แก่วินิโพคารุแปดนะที่จริงอวินิโพคารุแปดนั่นแหละเรียกว่าผ้านะเครื่องนุ่งห่มเนอะอวินิโพคารุแปดนั่นแหละเรียกว่าอาหารอวินิโพคารุแปดนั่นแหละที่อยู่อาศัยนะตึกหลังนี้ทั้งตึกก็อวินิโพคารุแปดที่เรานั่งเก้าอี้ที่เรานั่งทุกชิ้นก็อวินิโพคารุแปดเนี่ยนะยาที่ รับประทานเข้าไปที่ฉันที่จิตเป็นต้นเนี่ยก็คืออวินิโยค ร, รูปแปดเทนั้นแหละเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นอวินิโยค ร, รูปแปดก็คือรูปปัจขันธ์เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นรูปนะทำให้นึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสไว้ในมหาสุญญ า, าสูตรที่พระองค์ตรัสว่าเราย่อมไม่พิจารณาเห็นแม้รูปอย่างหนึ่ง ซึ่งที่ไม่เกิดโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาตเพราะความแปรปรวนและความเป็นอย่างอื่นของรูปตามที่เขากำหนดกันอย่างยิ่งซึ่งบุคคลกำหนดแล้วนะไม่มีรูปอะไรเลยนะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาต ม, มีเราลองลองถามหาจริงอยู่โทสะ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกัเราเพราะอารัมมณะปัจจัยสิ่งนั้นเนี่ยนะอย่างเสื้อผ้าเรานะเราก็เป็นอารัมมณะปัจจัยของโทสะเราเนี่ยนะคือทุกโทมณัตอุปายาตพวกนั้นก็คือกิเลสสายโทสะนั่นแหละแต่ถ้าของคนอื่นนะเสื้อผ้าของคนอื่นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกโทมณัตอุปายาตแก่คนอื่นด้วยเนี่ยนะถ้าทางตาเสื้อผ้าไม่ดีเป็นอะไรโทรสะใช่ไหม ถ้าใช้สอยไม่ดีโพธาภะที่ไม่ดีก็เป็นโทสั์อีกเนี่ยนะแล้วก็เสื้อผ้าเหล่านั้นเนี่ยนะกว่าจะได้มาแต่ละอย่างแต่ละตัวที่นุ่งหม่มอาหารคำหนึ่งกว่าจะได้มาเนี่ยนะผ่านจิตมากี่ดวงนะเคยคิดไหมข้าวหนึ่งคำเนี่ยผ่านจิตมากี่ดวงเนี่ยนะคนที่เข้าไปประกอบการประกอบอาชีพกับสิ่งนั้นนั้นเนี่ยมากมายเพราะฉะนั้นข้าวหนึ่งคเป็นอา ร, รมณะปัจจัยของจิตมากมาย แล้วไม่ใช่ของจิตดวงเดียวด้วยนะไม่ใช่ของจิตของคนคนเดียวนับตั้งแต่เป็นอารามณะปัจจัยของชาวนานะที่เขาไปประกอบอาชีพนะแล้วก็ถึงกับคนที่ประกอบการหลังจากที่เป็นผลผลิตมาแล้วเนี่ยนะทั้งโรงสีเอยทั้งคนที่ค้าขายจนถึงคนที่หุงข้าวทํากับข้าวกว่าจะได้มาอาหารเนี่ยสุกอยู่ในชามเนี่ยนะแล้วเป็นอารามณะปัจจัยของจิตเราอีกกี่ดวงอ่นะใช่ไหม ทั้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยบางอย่างก็ผ่านเรียกว่าคราบเหงื่อมาบางอย่างก็ผ่านเลือดมาผ่านเนื้อผ่านเลือดบางอย่างก็เป็นอารมณปัจจัยของอีกไม่รู้กี่ชีวิตต่อชีวิตนั่นนะะถ้าเราพิจารณาบ่อยๆเราก็จะเห็นถึงที่พระ อ, องค์ตรัสว่าเวลาบริโภคอาหาร <c oughs> ก็คํานึงว่าเหมือนกับเนื้อบุดนี่นะ โปรงให้ให้ใส่ใจว่าเหมือนกับเนื้อบุตรเนี่ยนะหรือเหมือนกับการหยอดเพลาเกวียนแล้วในอารมณะปัจจัยเนี่นะคือคือรูปหรืออวินิโภครรปแปบเนี่ยนะโดยขันได้ขันเดียวนะขันอะไรนะเมื่อกี้รูปรปะขันน ะ, ะถ้าใช้คำว่าขันเนี่ยเป็นกองใช่ั้มเพราะอะไรทำไมจะเรียกว่ากอง เพราะสิ่งเหล่านี้มีทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแปลกนะเวลาท่านแสดงทำไมขึ้นอดีตก่อนก็ไม่รู้นะหน้าปัจจุบันอดีตอนาคตไม่ขึ้นอย่างนี้นะพุทธพจนี่ไม่นะอติตานาคตะปัจจุบันนางอชตังวาปิทาวาอุลาริกังวาสุขุมังวาหินางวาปณีตางวานทุเรวาสันติเกวานะทั้งที่เป็นอดีตขึ้นอดีตก่อนนะอนาคตแล้วก็ปัจจุบันก็แสดงว่าให้มองอะไรเนี่ยนะ ถ้าเรามองอะไรโดยสายตาของเราที่เป็นปัจจุบันส่วนใหญ่จะอคตนะิในเรื่องใดก็ตามถ้าเราเข้าไปพลุนผลนเข้าไปในเรื่องนั้นเลยนะเราจะมีอคติต่ออารมณ์ปัจจัยนั้นแต่ถ้าเรามองอก่อนที่จะมองเรื่องนี้นะมองเบื้องหลังของสิ่งนี้ก่อนเรียกอดีตใช่ไหมแล้วก็ที่เป็นไปของสิ่งเหล่านี้ต่อไปแล้วเราจะมองสิ่งที่เป็นปัจจุบันด้วยสายตาที่เป็นธรรมเห็นมอดีตอนาคตปัจจุบัน วินิพโยครูปเป็นเป็นอะไรรูปนะวินิพโยครูปที่เราพิจนารณานเนี่ยโดยสันตติสมุทฐานไหนปัจใจสี่นะปัจใจสี่โดยสมุทฐานเป็นเป็นอุตุสมุทฐานอย่างเดียวแต่มีจิตเป็นปัจใจเห็นไหมที่อยู่อาศัยนี่นะคืออุตุสมุทฐานแต่ว่ามีจิตเป็นปัจจัยแต่ถ้าหากว่า อย่างนึกถึงวิมานเนี่ยนะถ้าวิมานของเทพเนี่ยนะเขาเรียกว่าอุตุชรูปกรรมะปัจใจกรรมะปัจจยะอุตุชรูปมีกุศลกรรมของบุคคลนั้นเนี่ยนะเป็นปัจจัยให้อุตุชรูปเนี่ยนะเป็นในลักษณะนั้นที่จริงสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ตกแต่งในลักษณะนี้เนี่ยไม่ใช่กรรมแต่งให้แต่จิตนะัเป็นคนแต่งสูงกี่เม็ดกว้างกี่เม็ดอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเอาอิฐหินปูนทรายมาผสมคละคลุ้งกันไปเนี่ยคละเคล้ากัน อันนี้เรียกว่ามีจิตเป็นปัจจัยแต่ถ้าคนไม่มีบุญก็ไม่ได้ใช้อีกนั่นแหละเฉนั้นโดยกว้างก็ส่วนของตารรมด้วยส่วนของจิตด้วยแต่จริงๆเขาก็คืออุตุชรุปเท่านั้นเองอถามว่าการกล่าวเรื่องสมุทฐานเ พ, เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นถึงความเป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันของสิ่งนั้นเพราะว่าปัจจุบันนั้นมีหลายอย่างปัจจุบันนสัน ต, ติ ปัจจุบันนะสมัยปัจจุบันนะอัตตาและปัจจุบันนะขณะเห็นไหมดังั้นการพิจารณานั้นก็ควรที่มีความเข้าใจทั้ง4อย่างเป็นอย่างดีนั่นแหละทั้งปัจจุบันน่ะอัตตาด้วยปัจจุบันนะสันติปัจจุบันนะขณะปัจจุบันนะสมัยด้วยนะการที่เอาอดีตอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นก็คือเอาอัตตาสันติขณะสมัยนั่นแหละมาเป็นเครื่องวัดว่าเออสิ่งเหล่านี้เป็นอดีตอนาคตและ ปัจจุบันแต่ว่าอาวินิโพกครูปเหล่านี้ทั้งหมดเป็นภายนอกอย่างเดียวนะไม่มีภายในนะปัจจัยสี่ที่เราใช้สอยนี่เป็นภายนอกอย่างเดียวนะหยาบก็มีละเอียดก็มีประนีตก็มีสามก็มีเนะในรูปเหล่านี้นะสมมติว่าตึกหลังนี้ถ้าเทียบกับบางอย่างก็ประนีตกว่าใช่ไหมไปเทียบกับบางหลังอันนี้ก็หยาบกว่านะทั้งที่หยาบละเอียดแล้วก็ รูปเรียกว่าหยาบก็ใกล้กับหยาบปนีตก็ใกล้ต่อปนีตเป็นต้นเนี่ยนะรูปใกล้รูปใกล้เนี่ยถึงความเป็นขันของเขาแต่ถ้าเห็นแล้วเออเฉยๆเลยนะเออสีมันจะฉลาดยังไงนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาภูมิเป็นต้นก็คือการใส่ใจโดยขันอันนี้ได้หนึ่งขันเนี่ยนะเรียกว่ารูปปัดขันโดยขันถ้าโดยอายตนะสีทั้งหมดนี้ได้เกียร์ในอวินิโพครูปปัจใจสีนี่คือวินิโพครูปได้เกียร์ ย, ยตนะ นะเขาเป็นสีเมื่อเป็นสีเขาก็เป็นรู ป, ปายตนะเมื่อใช้สอยมีเสียงดังเป็นต้นก็เป็นสัธายตนะกลิ่นนะเข้าไปในห้องอยู่นอกห้องกันในห้องมีกลิ่นเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเคยสังเกตไหมนั่นแหละเป็นคันธายตนะด้วยเป็นเขาบอกว่ารัศายตนะคือรสแห่งการใช้สอยนะไม่ไดเอาระตารมไปชิมไปอะไรหรอกแต่หมายถึงรสแห่งการใช้สอยแต่ว่าในตัวของเขาเองก็มี มีรสาะาอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะมีรส า, ารล์อยู่ในนั้นด้วยนะอ่าไม่เป็นรส า, ารมณ์ของเราเป็นรส า, ารมณ์ของมอดไง <c oughs> มอดมกินนะปลวกกินเนะี่ยรส า, ารลมของปลวกของมอดอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็เป็นโพธารมณ์นะเรียกว่าโพธายตนะอโปธาต์โอชาที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะอโปธาต์กับโอชาเป็นธรรมายตนะเนี่ยนะได้อายตนะ ถ้าวินิโพค ร, รูปใช้เฉยได้ยตนะหา 5. แต่ถ้าอวินิโพค ร, รูปเหล่านี้เมื่อเกิดการกระทบกันก็จะได้อีกยตนะหนึ่งคือสัทธายตนะได้เสียงขึ้นมาโดยธาต์โดยธาต์นั้นเป็นเฉพาะเป็นเหมือนกันน่ะเหมือนกับยตนะนั่นแหละคือเป็นรู ป, ปรธาตุเป็นสาธธาตุคันาธาตุรัสธาตุโพธาตุและธรรมธาตุโดยอินทรีย์ไม่เป็นอินทรีย์ซากอย่างเดียวยนี่ยแหละ ไม่เป็นอินทรีย์แม่แต่อย่างเดียวแต่สามารถเป็นอารมณะปัจจัยของสุขินสีทุกขินสีโสมนัสสินสีอุเบกขินสีเป็นอารมณะปัจจัยของสัตทินสีวิริยินสีสตินสีสมาธินสีปัญญินสีได้เนี่ยนะแต่เขาไม่เป็นอินทรีย์หรอกแล้วสีทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะอวินิโพครูแปดเนี่ยโดยปัจจัยล่ะ เป็นทั้งอาตกูลอารัมมะปัจจัยเป็นทั้งตระกูลปกตูปะนิสยปัจจัยต่อชีวิตของเราด้วยนะเป็นอารัมมะปัจจัยเป็นตคูณอารัมมะอารัมมะอารัมมะปุเรชาตะอารัมมะปุเรชาตที่อารัมมะปุเรชาตอวิขตาอารัมนาธิปติอารัมนาูปนิสยะมันก็จะได้อารัมมะนะที่จริงก็คืออารมณ์นั่นเองตรกูลอารมณ์ถ้าเราได้อารัมมะชาติก็กลุ่มเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือ การพิจารณาบ่อยๆเสร็จแล้วที่น่าสนใจมากเราเกี่ยวข้องกับอวินิโพกครูแปดเหล่านี้ด้วยจิตดวงใดเนะี่ยซึ่งอวินิโพกครูแปดนั้นเป็นอารมณ์ของกายกรรมด้วยเป็นอารมณ์ของวจีกรรมด้วยนั้นเราไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่แต่ละอย่างพบใหม่ของเราทั้งนั้นเลยเนี่ยนะ เพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างที่ไม่ไม่ต้องเอาจิตไปเกี่ยวข้องอ่ะมีไหมเมื่อมีจิตเข้าไปเกี่ยวข้องจิตไม่อยู่เฉพาะในใจแล้วพูดออกมาด้วยทำจิตชรูปด้วยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มเนี่ยนะสัตว์ล่วงอคุศนกรรมบทมากมายอาศัยทำปานาติบาตก็เพราะเครื่องนุ่งห่มนั่นแหละเพราะปัจจัยสี่นั่นแหละสัตว์ทั้งหลายทาปานาติบาสอทินาทานกาเมสุเมฉา พ, พูด เพชรพูดคำยาพูดเพอเจอพูดส่อเสียดเนี่ยนะถามว่าเจตนาที่เกิดร่วมกับอกุศลธรรมเหล่านี้ก็มีผลเมื่อมีผลก็คือสามารถเป็นอา ร, รัมณะปัจจัยของกรรมกรรมอันนั้นก็เป็นนานาคัตติกา ก, กรรมะปัจจัยในการปฏิสนธิในอบายทุกขติวินิบาทและนรกเป็นต้นแต่ถ้าคนที่มีความสามารถ ก็อาศัยอารมณปัจจัยคือวัตถุเหล่านี้มาเป็นอารมณปัจจัยของทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลเนี่ยนะแล้วก็ต้องหมั่นพิจารณาบ่อยๆเัราถ้าเรามีการพิจารณาถึงประโยชน์ในชั้นต้นก่อนนะคำหนึงถึงประโยชน์ถึงเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้สอยอาหารที่เรารับประทานเนี่ยนะอย่างน้อยๆท่องเอาตามท่องว่าตามนี้แหละเพียวๆไปก่อน ให้จิตเสพคุณอย่างนี้บ่ายๆก่อนเท่าที่สังเกตนะถ้าเฉพาะของอดัมาเองนั่นน่ะถ้าคิดเรื่องนั้นต่ำกว่าร้อยครั้งเนี่ยตรึกเรื่องนั้นไม่ได้ต้องเอาเรื่องนั้นนะมาทบทวนเป็นร้อยครั้งขึ้นไปแล้วจึงจะเริ่มเอาเรื่องนั้นมาไข่ครวนได้เพราะวันหนึ่งบางทีตรึกเป็นเป็นสิบรอบเออบางอย่างเป็นสิบรอบแล้วทำเป็นหลายปีจึงจะเอามาใช้ได้เนี่ยนะเรียกว่าโหกับ ถ้าร่างกายบางอย่างนะกว่าจะออกกําลังแล้วได้เงื่อเนี่ยใช้เวลานานแล้วเกินอย่างเงี้ยเห็นไหมทานข้าวกว่าจะมีแรงเนี่ยโอ้นานพราะป่วยมาตลอดเลยเนี่ยนะเขบอกว่าคนสุขภาพจิตไม่ค่อยดีมาเมินแล้วแล้วก็กว่าจะได้มาศึกษาคําสอนให้เข้าใจแล้วพยายามดึงมาใช้เนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยก็ทําให้เห็นว่าโอ้อวิชานี่เรามากขนาดนี้เลยนะก็บอกว่าในอารมณ์แต่ละอารมณ์เนี่ยเมื่อเราเอามาพิจารณาได้เมื่อไหร่นะ จึงรู้ว่าโอ้โหสิ่งนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้มาเรามีาวิชากับสิ่งเหล่านั้นตลอดเลยนะโอ้หนึกถึงบาปที่ทำเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องกับอรนะารามณะปัจจัยเนี่ยมีหน้าพราะองค์จึงตรัสว่าสังสารวัฏของคนพาลเนี่ยไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดไม่มีไม่รู้จบที่ไหนเพราะไปเกี่ยวข้องด้วยอระรด้วยอกุศลลนลวน้ลวนเลยเนี่ยนะเกี่ยวข้องด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะสลับกันไปคล้าคล้าวกันไป ล่วงมาทางกายกรรมล่วงไปทางวิจิกรรมมันชีวิตของเขาเป็นลักษณะนั้นเลยแล้วเขาไม่เคยมองถึงความเป็นสัจจะของสิ่งเหล่านี้เลยว่าสิ่งเหล่านั้ น, น, นเนี่ยนะอวินิโยครูปแเนี่ยเป็นทุกขสัตว์ใช่มที่จริงแล้วเขาก็เป็นทุกขสัตย์และอวินิโยครูปแดเหล่านี้เนี่ยนะเป็นอารามณปัจจัยของจิตของเราเมื่อเป็นอารามณปัจจัยของโลภะจิตเนี่ยก็เท่ากับเป็นอารามณปัจจัยของอาสวะด้วย โลภะเจตสิกเป็นกามาสะวะเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นกามาสะวะก็เกิดทิฐิเจตสิกที่ไปสําคัญในอารมณ์เหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งทิฏฐาสะวะก็เกิดเห็นนะถ้าปรารถนาอาวิธิโผลกรูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นภวาสะวะไม่เข้าใจถึงความเป็นสัจจะของสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอวิชชาสะวะ เพราะฉะนั้นเอาอาสวะก็พาเราไล่ไปเยอะนะไปสมมตินั้ น, มมนเลิกเรียนวันนี้นะเพื่อเลิกไปทําอะไรพรุพ่งนี้จะได้มานั่งใหม่ไงก็เวีนมานั่งอยู่อย่างนะ ง, างี้เนาะเออมาเน้นขำ่ขำๆมันก็อี้ผัดกันนั่งกนะันออกไปเที่เหมือนเลิกออกไปทำอะไรจะได้มานั่งใหม่ไงของเราโหเรีบทําบุญได้มาทำได้ทําอะไรได้ไปเกิด <c oughs> เกิดจะได้มาทํำอะไรมาทําอย่างนี้อีกนั่นแหละ คิดไปคิดมาเอ้ยฉลาดขึ้นเนือโง่ลงก็ยังโง่แท้จริงว่าอวิชชานะจริงจริงนะรีบนอนทํารีบนอนทําอะไรจะได้รีบตื่นไงรีบกินทาอะไรจะได้ไปทํางานทํางานทําไมเพื่อจะได้เอามามามีกินอีกก็วนอยู่นั่นแหละงนั้นถ้าเราไม่รีบศึกษาให้เข้าใจความจริงเหล่านี้นะพระในในคธรรมพิธันท่านพูดฟังแล้วเราฟังแล้วเราขำเหมือนกันนะท่านบอกว่าเหมือนกับโคในหีบยนอ่ะ นะครับกับวัวที่ไปไปบดอ้อยอะ่ะเขาจะมีไม้ไม้สองอันเนี่ยนะมันก็จะหมุนรอบตัวกันนะอาศัยที่มันจะมีตัวยื่นออกมาตัวหนึ่งให้วัวเนี่ยนะไปเดินแล้วแต่มันก็จะเป็นเหมือนกับเฟืองเนี่ยนะเหมือ น, นกลไกแล้วก็อ้อยก็จะบีบแล้วก็ใส่อ้อยเข้าไปบีบไอ้วัวเนี่ยมันก็เดินอยู่นั่นแหละ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. วัวตัวใดที่ที่มาใช้อ่าให้ลาก โยนหีบอ้อยนี่บ่อยๆนะเขาบอกว่าวัวตัวนั้นถ้าใช้งานมากเปอร์เซ็นต์เสียเนี่สู่หัวมันหมุนไงมันเดินอยู่ที่เดิมอะหัวเนี่ยหมุนแล้วก็เมื่อหัวหมุนมากๆเข้าก็เป็นไงเสียวัวเลยนะก็สคำนวณได้ก็เสียวัวเลยอคนเราเหมือนกันถ้าไปเกี่ยวข้องกับอรรมณะณปัจจัยไม่ได้พิจารณาเนี่ยเสียคนมานักต่อนักแล้วแต่ทีนี้ว่าการเสียที่อวิชามันเกิดขึ้นเป็นการเสียโดยที่ไม่รู้ว่าเสียด้วยนะ ไม่มีโอกาสทบทวนด้วยถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงชี้แจงพระธรรมคาสอนเราไม่มีโอกาสรู้เลยนะตกมาชีวิตอีกทีก็ร้องแบบนี้แหละพอไหมเร้องอย่างนี้แหละเจ็บๆๆอยู่นี่แหละนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่จะรู้อริยสั์เนอะ น, นึกๆเหมือนเราเลยเนอะเรามองเห็นเนี่ยทําให้พิจารณาคําสอนมาสายเนี่ยโอ้เราก็ไม่ได้พ้นจากสภาพเหล่านั้นเลยอั้น เบื้องต้นเลยที่กล่าวนี้ก็คือเพื่อให้เราให้มันพิจารณาหรือเจริญปัจญาสถานนิสิตศรรินอันนี้ให้มากน้อยนะคุณรุ่งไปไหนนะจะได้ถามเท่าไหนว่าปัจจเวกที่อยู่หรือยังเนี่ยเข้ามาเนี่ยคนกูติไม่ได้นี่โอ้โหหมดติดแล้วคนอื่นเนี่ยยากงหมนนะผูกการปัจจเวกที่นั่งบ้างหรือยังอ๋อยังเลยนะอาจารย์ติ๋งอะ เอาวันนี้อวันนี้เอาขณะ น, นี้เอากุศลเนี่ยมันต้องขณะนี้เนเอะทำบ้างนะก็ยังดีมีบ้างผสมบ้างนะแล้วก็หมั่นพิจารณาบ่อยๆนะปัจจัก็คือการพิจารณานั่นเองนะพิจารณาเนะเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มทุกครั้งก็ปัจจัยสี่ใช้ ย, ยาสีฟันสบู่พวกนี้ก็เป็นเภศัช ท, ทั้งนั้นแหละเป็นยาอยู่ในประเภทยาก็ปัจจัด้วย ยวดยานพาหนะที่ใช้สอยก็ควรพิจารณาด้วยนะอาหารที่เรารับประทานแต่ละมือก็ควรพิจารณาด้วยถ้าพิจารณาบ่อยๆนะเราจะรู้ความแตกต่างของความคิดเราเยอะนะถ้าเรามันพิจารณาเราจะรู้เออชีวิตมีศีลกับไม่มีศีลเนี่ยแตกต่างกันการพิจารณาเป็นศีลนะเป็นปัจจะยสันนิสิตศีลชีวิตมีศีลกับไม่มีศีลแตกต่างกันชีวิตที่ไม่มีศีลห้ากับมีศีลห้าก็ต่างกัน ชีวิตที่มีศีลห้าถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรกับไม่มีอินทรีย์สังวรก็ต่างกันเมื่อสังวรแล้วเมื่อมีการปัจเจกพิจารณาปัจจัย4ี่ที่เราเกี่ยวข้องก็แตกต่างกันไปอีกเนี่ยนะฉั้นชีวิตมีศีลกับไม่มีศีลเนี่ยนะเวทนาจะแตกต่างกันอุเบกขาเวทนาเหมือนกันยกตัวอย่างนะการพิจารณาปัจจัย4ใหม่ๆเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วอุเบกขาเวทนาทั้งนั้นเลยไม่มีใครส่งมานับง่ายๆแล้วนะเวลาปัจเจกเนี่ย อูดีเนอะวันนี้อู้ได้ปัจจเวกรักษาสินข้อ น, นี้แล้วอู้สาธุยิ้มแย้มแจ่มใสยากส่วนใหญ่ก็อุเบคกคขาไปทําแบบอะไรแบบทำไปทีเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรอู้เบรคขาเวทนาก็ยังดีอุเบรคขาเวทนาที่เป็นมหากุศลกับอุเบรคขาเวทนาที่เป็นโลภะต่างกันไหมต่างกันอย่างไรนะหนึ่งต่างกันโดยเจตสิกที่ประกอบ อุเบกขาเวทนาที่เป็นมหาคุศลเนี่ยนะมีมุทุตาเกิดร่วมด้วยมีกรมมัญญตามีปาคุณญตามีละหุตามีปาคุญญตานันมีเจตสิกที่มีศรัทธามีฮิริโอตปะมีอโลภาอโทสะมีตัตระมัชตาตาอันก็เขาไม่มีโทษนนะใหม่ๆถ้าเราฝึกจนชำนาญเข้ามันจะปลื้มใจนะโอ้ได้พิจารณาลได้รักษาศีลแล้วเนี่ยนนกต้อยตีวิตรักษา อะไรนะรักษาไข่นะจามารีรักษา ข, านะาษาขนหางกุศลธรรมเราก็จะยินดีในกุศลธรรมมากขึ้นถ้ามีการพิจารณาบ่อยๆนะ เ, เห็นจะจะเห็นทันทีว่ายินดีในธรรมกับไม่ยินดีในธรรมเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคือต่างตรงคือว่ายินดีในการเจริญกุศลกับยินดีในอา ร, รัมมณปัจจัยแตกต่างกันคือถามว่าอา ร, รัมมณปัจจัยที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะถ้าไม่พิจารณามีโทษไหม ถ้าเราเข้าไปยึดติดในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเข้าไปเพลิดเพลินในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะความเพลิดเพลินเกินทุกเกิดนะปุณณะเนี่ยน ะ, ะคว่าทุกเกิดเนี่ยนะทุกตั้งแต่การแสวงหาในโลกนี้ด้วยนะอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวความเพลิดเพลินตัวโลภะนี่ก็เป็นเหตุแห่งวัตทุกข์ด้วยแล้ก็ต้องพิจารณาถ้าการพิจารณากุศลธรรมเราจะเกิดมากขึ้น วันนี้ดูในอริยะวัง ส, สูตรเนี่ยนะเป็นวงของพระอริยเจ้าซึ่งพระอริยเจ้าในอดีตไม่เคยทอดทิ้งพระผู้พระอริยเจ้าในอนาคตก็จะไม่ทอดทิ้งพระอริยเจ้าในปัจจุบันก็ไม่ทอดทิ้งเป็นวงเรียกว่าเป็นของเก่างั้นแหละเป็นวงของพระอริย <c oughs> เระเรียกว่ายินดีในภาวนามีภาวนาเป็นที่มายินดียินดีในการละบาป นะมีการละบาปเป็นที่มายินดีแต่ก็คือยินดีในภาวนานั่นเองยินดีในการเจริญกุศลมากเนี่ยนะขอให้เป็นกุศลและท่านเหล่านั้นจะยินดีมากเพราะในกุศลที่เรากาลังพูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็นศีลเท่านั้นเองเนเป็นยังเป็นกุศลและชั้นชั้นศีลอยู่เลยถ้ากุศลชั้นศีลเหล่านี้อ่อนเท่าไหร่นะยกตัวอย่างนะถ้าหากว่ายกผ้าหนึ่งชิ้นขึ้นมาเลยที่เรานุ่งห่มนะ ถ้าไม่พิจารณาโดยประโยชน์เราจะใส่ใจในความเป็นอวินิโยค ร, รูปนั้นน้อยเมื่อใส่ใจน้อยเราก็จะสนใจนิสปายะหรือไม่สปายะก็อ่อนลงไปถ้าสปายะไม่ได้สมถะคือโคจรสัมปชัญญะก็ไม่ได้อาศัยอารามณปัจจัยอ น, นั้นนะอะไรผ้าชิ้นเดียวเนี่ยยกัว่างจีวรที่หอมเนี่ยนะถ้าไม่พิจารณาว่าหอมจีวรทําอะไร นะว่าจีวรนี้เรานุ่งห่มแล้วนะเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยจีวรนี้เพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเห็นไหมแต่ถ้าพิจารณาบ่อยๆนะธาตุมนัสการเป็นต้นก็จะง่ายขึ้นนะอาศัยพื้นฐานที่ได้จีวรเนี่ยเป็นอา ร, รมณะปะจัจจัยแล้วเราสามารถตรึกเป็นกุศลได้ยาวเยอะแล้วใช่ไหม พิจารณาทีหนึ่งกุศลจิตก็เกิดสมมติว่าพิจารณาใช้เวลาประมาณสักครึ่งนาทีหรือหนึ่งนาทีในการพิจารณาพื้นฐานที่พิจารณาบ่อยๆนะก็คือสะสมกุศลจิตทีลนาทีเสร็จแล้วพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นขันน ะ, ะนาทีของความเป็นกุศลก็จะมากขึ้นโดยที่มีธาตุชิ้นนั่นแหละเป็นอารมณปัจจยัยเป็นอารมณ์ของกุศลถ้าขีดของกุศลได้ยาวเท่าไหร่เห็นไหม ก็สามารถที่จะใส่ใจในความเป็นมหาภูตรูปของของสิ่งเหล่านั้นเมื่อใส่ใจโดยมหาภูตรูปก็จะประทับถึงอุปาทายรูปต่อจากนั้นด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าในผ้านั้นมหอาอวินิโยครูปก็คือมหาภูตรูปสีของมหาภูตรูปเรียกว่ารูปารมณ์นะเพราะเป็นรูปที่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเราก็จะเริ่มหมุนรอบในในผ้าเหล่านั้นและ ทนี้ก็จะใส่ใจโดยความเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นสัตจะเป็นอินรีย์เป็นปฏิจะเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยก็พื้นฐานให้เราสงบตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นกุศลศีนี่มีความสําคัญมากพระองค์ตรัสไว้หลายแห่งมากว่าสัตว์เนี่ยนะสัตว์สองท้าสัตว์4ี่ท้าส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนแผ่นดินใช่ไหมกินดื่มหลับนอนเป็นต้นอยู่บนแผ่นดินพิษสุก็เหมือนกันอาศัยศีลและเจริญสัมโพธชงนะเจริญโพธชง์ หรือบางแห่งก็บอกว่าพีชคามและภูตามต้นไม้ทุกชนิดเวลาจะงอกงอกที่ไหนก็งอกบนแผ่นดินดังนั้นกุศลธรรมที่บุคคลจะเจริญก็อาศัยพื้นฐานของกุศลธรรมคือศีเพราะฉะนั้นคําว่าสี น, นี่ก็คืออุปธารณะเป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะเป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปดังนั้นการพิจารณาปัจจัยสีนั้นจึงมีความสําคัญมากจริงๆเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยพิจารณา กลับมาพิจารณาแล้วกุศลจิตแตกต่างกันมากเนไเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอภิชาและโทมนัตก็จะเกิดขึ้นกับสิ่งนั้นมากทีนี้เมื่ออภิชาและโทมนัตเกิดขึ้นแล้วก็มาคิดย้อนว่าเออสิ่งนั้นเป็นอารามณะปัจจัยของโลภะโลภะมีโทษหรือไม่มีโทษมีโทษโพงตรัสวว่าโลภะย่อมยังจิตให้กำเริบภัยที่เกิดขึ้นในภายใน คนโลภย่อมไม่รู้สึกคนโลภย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ความโลภครอบงาความมืดก็เกิดขึ้นในขณะนั้นนะเฉพาะอารมณนะปัจจัยนั้นเรามืดกับสิ่งนั้นแล้วอวิชาก็เกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นเนี่ยนะไม่ใช่วิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วนะไม่ใช่จักขุงอุดะปาฏิยาณังอุดะปาฏิปัญญาอุดะปาฏิวิชาอุดะปาฏิโลโกไม่ใช่สักอย่างเลยนะ ไม่ใช่ว่าโอ้จากสูได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิ ช, ชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแกเราวันนี้ทุกไม่ใช่สักอย่างเลยนะอวิชชาได้เกิดขึ้นแล้วความมืดได้เกิดขึ้นแล้วอาานคือความงโง่ความบอดความเขาได้เกิดขึ้นแล้วอะปัญญาว่างั้นปัญญาไม่เกิดสักอย่างได้เกิดขึ้นแล้วหลงงมงายวันนี้สุขเนาะ <'s S 1> โ, โอ้สังสารวัฏเนี่ยนะ มันรู้เป็นพักๆอ่ะขณะที่รู้ก็ก็มีวิชาเกิดหน่อยหนึ่งขณะนั้นแต่ที่นี่เราก็มามามการเจริญกุศลเนี่ยนะเราควรตั้งใจไว้ในลักษณะว่าทาอย่างไรกุศลธรรมจะจะบริบูรณ์ถ้าเราบอกว่าเออคือถ้าเราวางใจบางอย่างไม่ดีนะการเจริญกุศลธรรมของเราเนี่ยจะอยู่ในฝ่ายการเจริญกุศลธรรมเอาใหม่นะการเจริญกุศลธรรมมีสี่อย่างหนึ่ง หินาพคยะหรือหานะภาคยะ2ถิติภาคยะวิเศ ษ, ษาภาคยะและนิเพทภาคยะการเจริญกุศลและทำบางอย่างนะถ้าไม่ฉลาดคิดนะเป็นส่วนแห่งความเสื่อมการเจริญกุศลและ ร, รมบางอย่างถ้าหากว่ายินดีเท่าที่มีอยู่ก็ส่วนแห่งความตั้งอยู่การเจริญบางอย่างก็วิเศษขึ้นพัฒนาได้ไนี่นะวิเศษพ า, าคิยาและการเจริญกุศลธรรมบางอย่างก็เป็น นิเพทคพาคิยะเป็นส่วนแห่งการชำรกกิเลสเป็นส่วนแห่งการชำรกจากบาปจากอากุศลการที่บุคคลเจริญกุศลธรรมนะแล้วเปรียบเทียบกับคนที่ไม่เจริญกุศล น, นะถ้าคิดไม่ดีเออเราก็ดีกว่าเขาอะ่ะเสร็จแล้วก็ไปคุกคีนะก็ยังอาศัยว่าถือว่ามีดีบ้างอ่าก็เลยไปคุกคีก็เลยเจริญแบบนั้นไม่นานเสื่อม นะเมื่อเจริญกุศลครบกับคนที่กุศลธรรมเขาเกิดอ่อนเนี่ยนะเราก็จะอยู่ในฝักฝ่ายแห่งความเสื่อมไปด้วยถ้ายินดีเท่าที่มีอยู่ก็ส่วนแห่งความตั้งอยู่แต่ทำยังไงจะจเจริญมากขึ้นมากขึ้นเรียกเรียกว่าวิเศษะแล้วก็กุศลเหล่านี้ต้องเป็นไปเพื่อลักกิเลสให้ได้อ น, นั้นเป็นนิเพทะหรือการรักษาโรคเนี่ยนะถ้าเราไปคิดว่าเออเรานี่ใข้เราสางขึ้นบ้างอ่า ก็มากกว่าคนที่ป่วยอยู่ตลอดอย่างนั้นถ้าเทียบอย่างนั้นก็ไมก่ก็ดีกว่าจริงอย่างนั้นนะเราคลานได้เทียบกับคนอัมาพาตเนี่ยนะเราก็ต้องดีกว่าใช่ไหมแต่เราไปเทียบกับนักวว่งโอลิมปิกได้ไหมล่ะคลานได้เนี่ยกระดึบ๊บกระดึ๊บเหมือนตัวหนอนไปไงไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาบุคคลที่เป็นเยี่ยงอย่างคือใครอนุสติบุคคลเนี่ยเป็นใครพุทธานุสติธรมมานุสติ สังขานุสติศีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติเทวตานุสติบุคคลที่ควรเอาเยี่ยงอย่างนั้นมีอยู่เนี่ยนะอันพระองค์จึงตรัสว่าปูชาจะปูชนียานังนะให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้ให้เป็นอุทาหอนในความคิดของเราเนี่ยนะบุตรที่เราจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเนี่ยเราก็ควรเอาพระอริยเจ้าทําไมไม่เอาบุคคลอื่นมาเป็นอนุสติ ทำไมจึงแสดงอนุสติว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ไปต้นให้เอาเป็นเยี่ยงอย่างไม่ได้เอาคนมีกิเลสมาเป็นเยี่ยงอย่างแต่ถ้าคนธรรมดานะจะคิดถึงให้คิดถึงในลักษณะตัวเลขสี่อย่างมีไงธรรมะโมสีมีนะพรหมิหารนะถ้าคิดถึงคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะให้คิดในยะแห่งพรหมวิหารสี่อย่างใดอย่างหนึ่ ง, งนะคือด้วยเมตตาด้วยกรุณาด้วยมุทิตาหรือด้วย อุเบกขาหรือไม่ก็กรรมสกตาลงไปถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นอภิชาและโทมานัตก็จะเข้ามามาแทรกแสงอีกต้องมันหมันบ่อยๆเนาะคืออะไรนะปรัชกรรมธาตุนิกรรมธาตุธาตุแห่งความริเริ่มเพียรพยายามสัตว์ทั้งหลายล่วงพ้นจากวัตถุทุกได้เพราะความเพียรนึกไหวัตตะได้เพราะความเพียร ทำยังไงความเพียรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะปัจจัยอะไรที่จะทําให้กุศลจิตเราเกิดขึ้นได้บ่อยๆนั่นแหละเป็นความฉลาดของเราที่สุดละทําไม่อย่างนั้นนะโดยเหตุผลใดๆก็ตามในโลกนี้ที่จิตเราต้องเศร้าหมองจิตเราต้องเป็นอกุศลอกุศลจิตเนี่ยเราใช้อะไรชดใช้รู้ไหมอกุศลจิตที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยนะเราใช้ใช้ด้วยอะไรอย่างเบาบางนะีใช้ด้วยทรัพย์สินภายนอก เนี่ยนะเราต้องสูญเสียทรัพย์สินภายเนอกอันนี้อย่างเบาที่สุดได้นะเมื่ออกุศลให้ผลถ้ามันให้ผลแรงกว่านั้นนะต้องชดใช้ด้วยสุขภาพแรงกว่านั้นอีกเนะี่ยอวัยวะเลยเนะี่ยต้องตัดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยชดใช้ก็เลยที่จริงเข้ามาทวงเนี่ยเขาไม่ได้มาขอตรงๆนะเขาไม่ได้มาบอกขอใช่ไหมรถเฉียวเนี่มาขอไหมเขาขอปาบเนื้อคุณไปสักชิ้นหนึ่งเอาไม้ม ไม่ได้ขอเนะเวลาเขาอากุศลมันทวงคือเนี่ยมัดทันดีเลยอันนี้ก็รียกว่าชดใช้แรงขึ้นกว่า น, นั้นอ่อยเนี่ยถ้าธรรมดาทั่วไปก็ชดใช้ด้วยน้ําตานะถ้ามันอ่อนกว่าเสียนะชดใช้ด้วยน้ําตาชดใช้ด้วยสุขภาพหนักขึ้นก็ด้วยชีวิตชีวิตก็พอทำเนานะจากโลกนี้อาจจะไปสู่สุขติก็ได้แต่ว่าอบายนียนะความเป็นสัตว์ในอบาย วิบากและกรร ม, มชรูปแบบสัตว์ในอบายนั้นเราต้องชดใช้ในลักษณะนั้นถามว่าผลที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเกิดจากอะไรเป็นปัจจัยก็เจตนาที่เกิดร่วงกับความคิดของเราเนั่นแหละเป็นเป็นปัจจัยอั้นทํำยังไงที่จะฉลาดคิดเกิดขึ้นได้ตรงนั้นแหละมีเรียกว่าโยนิโสอันโยนิโสที่จะได้เกิดขึ้นนั้นก็อาศัยปัจจัยคือเรามีสาระแล้วเราไม่ใช่เป็นคนที่กําพร้าเหมือนเดิมใช่ไหมเรามีสาระนี่มี ที่เราว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกถึงมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพนบน้อมมีพระพุทธเจ้าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนําคอยโอวาทตักเตือนสั่งสอนเราไม่ใช่เป็นสภาพจิตของเราไม่ได้เถื่อนไม่ได้อยาบช้าเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นไปกับความโง่เขลาเบาบรรยาอะไรเราก็มีศาสดาและ ถ้าเราไม่สามารถที่จะฝึกในการคิดให้เป็นกุศลได้บ่อยๆสูตรเขามีว่างไงนะเขาว่ากุศลเนี่ยควรรีบทำนะถ้าทําบุญช้าไปใจจะยินดีในบาปว่างัน้นกุศลธรรมนี่ต้องรีบทำถ้าเราทำช้ามไม่นานใจก็จะยินดีในบาปฐานะกุศลสีและกุศลก็เหมือนกันปารบได้เอาทันทีเลย รีบพิจารณาเลยนะยาวได้เท่าไหร่ ย, ยิ่งดีเนี่ยนะไม่ต้องห่วงว่าจะเสียหายอย่างอื่นเพราะการเจริญกุศลนั่นแหละเป็นเหตุให้บุคคลฉลาดที่สุดแล้วกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นมีสติเกิดร่วมด้วยคนมีสติก็คือคนไม่ประมาทเนีย่ยนะจะทำให้ไม่ประมาทอปปมาโทจะทาเมสุจะเป็นคนที่ไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายไม่ประมาทในธรรมะทั้งที่เป็นอดีตไม่ประมาทในธรรมะทั้งที่เป็น อนาคตในปัจจุบันและจะไม่ล่วงเลยประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์นีล้ลับประโยชน์ลึกซึ้งเบเตอร์เนี่ยนะเราก็จะไม่เสียหายในประโยชน์เหล่านั้นเพราะเป็นบุคคลที่ไม่ไม่ประมาทเนี่ยพูดมาเยอะน่าจะไปพิจารณาใหามั้งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทํามใหม่ใครพิจารณาปัจจัยสี่สักอย่างอะอย่างนี้นะ โอ้เนี่ยถ้าพูดแล้วเขาพิจารณาได้นี้เราได้บุญมากนะเออนะสงสารพระให้พานได้บุญบ้าง อันนี้ทำเหตุใหม่แล้วนะคืออันนั้นมันเป็นชาวนะที่เป็นโทษศั์อันนี้เหตุใหม่เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่คือใช้เนี่ยใช้ในลักษณะวิบากและกรรมชรูปบในใะนะถ้าเป็นผลของอกุศลแปลว่าที่เราต้องเสียใจส่วนหนึ่งก็มีอกุศลวิบากเป็นอุปนิสัยให้ด้วยนะการที่เราต้องเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ผลของกุศลแน่ นะอาศัยสิ่งเหล่านั้น น, น, นีเว้นไว้แต่ว่ากิเลสมันมันไม่กิเลสมันมีกําลังเนี่ยนะยกตัวอย่างอ่ะกุศอแล้ววิบากให้ผลน ะ, ะยกตัวอย่างกุศลนวิบากให้ผลนะคุณจะต้องได้รับประทานอาหารรสชาติขนาดนี้นะมันไม่ชอบอ่ะมันจะเอาดีกว่านี่แต่ยังไ้กิเลสแล้วนะ่่าเปจจ่่ทีน็ใชิญพรใช่อันนี้อันนี้เป็นกิเลสหม่แล้วเนี่ยนะ ชาวนาของเราเป็นบาปเป็นเป็นอกุศลแล้วการพิจารณานี้พิจารณาบ้างนะพิจารณาทุกอย่างเลยนั่นแหละนับตั้งแต่สบู่ยาสีฟันทุกอย่างนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องพอใจเนี่ยมันใจที่พอมีหลายดวงอะนะดวงไหนอะ คำว่าพอใจเนี่ยนะพอใจกับขี้เกียจบางทีคนละอย่างนะ อ, อคำว่าพอใจเนี่ยใจที่พอมีหลายอย่างนะแตใช้ถ้าใช้คําว่าใจเนี่ยนะโลภแปดโทสะสองโมหะสองมหากุศลจิตเออ ม, มหากุศลจิตแปดให้พอดวงไหน ถ้าหากว่าเราบอกว่าพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยต้องต่อว่านี้เป็นเรื่องของศีลนะเ <โอ S 1> พราะสันโดษเป็นเรื่องของศีลเป็นศีลกุศลอ่าถ้าเป็นศีลกุศลแล้วก็ต้องต่อไปอย่างอื่นต่อไปอีกได้ไม่ใช่โอ้พอใจแล้วพอแล้วแล้วก็คล้ายๆก็ว่าทํางานนะทำมา ก, กินแค่นี้ก็พอแล้ะอยู่เป็นสุขแล้วนอนดูทีวีแค่นี้ก็พอกินละอย่างเงี้ยอ่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ยังเรียกว่าคนมากๆอยู่นะ คนที่ปล่อยจิตให้เป็นบาปเรียกว่าคนมากๆอย่างพิสุบางรูปที่ท่านขี้เกียจขี้คร้านไม่ในการเจริญกุศลเนี่ยเขาเรียกว่าคนมากๆคนย่อหย่อนคนไม่ปารบความเพียรถือว่าเป็นคนที่ปรารถนาตาปะแบงนั้นไม่ดีนะคารวะคารวดนี้ ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นก็เอาคุณศรศทธาไปพิจารณาก่อนแล้วกันนะคือเอาปฏิสังขายโยเนี่ยไปใส่ในอารมณ์นั้นไปเลยนะจะได้ไม่ต้องไปคิดสาวเรื่องมากเหมือนกัน เ, เหตุผลบางอย่างของเราที่เราคิดบางอย่างก็ไม่ได้สอดคล้องกับคําสอนในการพิจารณาในแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะตั้งแต่ศึกษาเรื่องไตรสารณคมเนี่ยทำให้ชัดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่า มีพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่นะเราเรานับถือพระธรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะนั้นเราไปเกี่ยวข้องกับอารมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะควรที่จะนึกถึงคำสอนให้ได้แล้วก็พิจารณาเอาคำสอนนั้นเป็นสาระเป็นหลักเป็นเกาะเป็นที่พึ่งในการพิจารณาถึงอารมณ์นั้นๆนะไม่ต้องเอาเราเข้าว่านะเอาท่านเข้าว่าเพราเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นสาระใช่หมเอาพระธรรมคาสอนเป็น เป็นสารณะเพราะเราก็ทำยังไงที่จะตึกตามท่านเอานี้มาขึ้นสังวรสักครองก็ยังดีเนอะอาสวะที่ละได้ด้วยการอดกลัน้นทนเข้าไว้อ่ะมีอะทนเนี่ยกัดฟันกรอดกรอดอย่างนั้นด้อยอ่งเรียกว่าคนไม่มีอดทนสักอย่างเลยเนะ อาสวะที่ต้องละได้ด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือพิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคลายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเลือบจุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคําหยาบคําสอเสียดเป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อน ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพลากชีวิตได้ซึ่งเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นก็จะเพิงเกิดขึ้นเมื่อเธออดกลั้นอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้พลิกษุทท้งหลายเรา เหล่านี้เรียกว่าอาสะวะที่ต้องละได้ด้วยการอดกลั้นสแสดงว่าพระองค์ยกย่องอะไรขันตินะคันติองค์ทมได้แก่อโทสะเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับมาหากุศล เ, นะเมื่อประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะนับตั้งแต่นาวร้อนหิวกระหายหรือว่าเหลือบยุงลมแดดสัมผัสสัตว์เลื้อยคลานหรือว่าอดทนต่ออากุศลวิบากที่เกิดจากคา คำหยาบที่เขาพูดหยาบหรือเขามาส่อเสียดยุยงให้เราแตกกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในในร่างกายอันนี้ก็ต้องอดทนอดทนในที่นี้ก็คืออโทสะไม่โกรธในอัตถกฐาท่านก็กล่าวถึงอุบายหรือวิธีในการอดทนเป็นอย่างดี ข้อว่าอาสวะที่ละได้ด้วยความอดกลั้นก็คือข้อว่าปฏิสังขายโยนิโสโคโมโหติสีตัสสะความว่าพิสูพิจารณาโดยอุบายถูกทางแล้วย่อมเป็นผู้ทนต่อความหนาวต้องฉลาดคิดนะไม่ใช่กัดฟันกรอดกรอดหนาวหล อ, อกไหนเถอะนะจะได้เอาคืนบ้างอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนคือย่อมอดทนต่ออดกลั้นต่อความหนาว จะสั่นสะท้านเพราะความหนาวแม้เพียงเล็กน้อยเหมือนบุรุษผู้ไม่มีความกล้าหาญก็หาไม่ท่านไม่ยอมละทิ้งกรรมฐานคือพอไปเจออารมณ์ที่หนาวเย็นที่ว่าอดทนก็คือกรรมฐานไม่เสียะนะเรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญคำสอนใส่ใจในคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อหนาวร้อนเป็นต้นเกิดขึ้นก็ไม่ทิ้งคาสอน อีกอย่างหนึ่งแลท่านถูกความหนาวจัดสัมผัสก็ไม่สัมสทานย่อมใส่ใจเฉพาะกรรมฐานเหมือนพระโลมาสนาคเทระฉะนั้นโลมาสนาเนี่ยโอ้โหท่านเก่งน ะ, ะได้ยินว่าพระเถระอยู่ในเรือนบํเพนเพียนในถ้ำปียังคุณนะเจติยบรรพศพิจรนารณาโลกันตนรกที่ตั้งอยู่ในระหว่างทวิปเนี่ยนะคือโลกันตนรกก็อยู่ในระหว่างจักรวาลใช่ไหมในสมัยหิมะตก ไม่ยอมละทิ้งกรรมาฐานเลยให้เวลาผ่านไปในกลางแจ้งโอ้หัวหนาวด้วยนะนั่งกลางแจ้งเอสีลังกานีหิมะตกด้วยนะตกไหมเคยหิมะตกนะอ่ายมกลายใจนี่เคยไปสีลังกาต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหนะิมะตกนะเขาบอกว่าท่านหิมะตกเนี่ยนั่งอาบน้ำค้างเลย เนี่ยก็พิจารณาก ร, รมฐานต่อไปไม่ทิ้งกรรมฐานยามที่นาเย็นยะเยือกนั่นแหละเก่งเนาะ <c oughs> แม้ในฤดูร้อนเป็นต้น <c oughs> ก็พึงทราบการอธิบายขยายความอย่างนี้เห็นของเรานี่จะได้รับร้อนสมความปรารถนาวะ่ะอ้าตอนหนาวๆไม่ได้คิดถึงร้อนเลอ ตอนน้องๆก็คิดหน้าหนาวเอาไว้ใช้เผื่อกันนะเนาะมันเผื่อกันไม่ได้ที่มันคนละตอนคนละเวลากันนะเนาะนหนาวก็ บ, บนร้อนก็ บ, บนนั่นไง<น>ก็คือพิจารณาว่าเออร้อนนี่นะก็ต้องสา ม, มารถทำยังไงที่จะไม่ทิ้งคำสอนนะนะใส่ใจในคำสอนกขบอกว่าอากาศจะเป็นเช่นไรก็ช่างแต่ใจเราก็ไม่ทิ้งพระธรรมนี่นะไม่ทิ้งคาสอน ความจริงภิกษุใด ย, ย่อมอดกลั้นความร้อนแม้มีประมาณยิ่งได้อย่างเดียวภิกษุนั้นบัณฑิตเพิ่งทราบว่าเป็นผู้อดทนต่อความร้อนได้เหมือนพระเถระนั่นแหลพระองค์นี้เนี่ยท่านเก่งมากนะร้อนมันก็ทนไม่ได้ทนหนาวอย่างเดียวนะได้ยินว่าในเวลาหลังพัตตาหารในคิมหันฤดูนะในฤดูร้อนเนี่ยสีลังกาก็น่าจะร้อนหูดับกันนะพระเถระนั่งอยู่ภายนอกที่จงกรมเมื่อท่านใส่ใจกรรมฐานเงือก็ไหลออกรักแร้ ทีนั้นอันเตวาสิกจึงเรียนท่านว่าท่านผู้เจริญเหมงอนกันพันเตเหมงอนั้นท่านผู้เจริญนิมนต์ท่านนั่งข้างในนี้เธิดโอกาสนิเย็นสบายพระเถระกล่าวว่าเราจะไม่นั่งในที่นั้นหรอกเพราะกลัวความร้อนท่านผู้มีอายุอาวุโสข้าพเจ้าไม่เข้าหรอกกลัวร้อนเหงนั้นดังนี้แล้วก็นั่งพิจารณาเวจีมหานรกสับทั้งหลายที่ไปเวจีเนี่ยนะอวัยวะทุกส่วนลุกเป็นไฟหมดเลยอะ คิดดูนะสมมติว่าความร้อนของเราขึ้นสักเยอะๆหน่อยไข้ขึ้นเนี่ยนะก็เต็มทีละสี่สิบนะเต็มทีแล้วนะของเขาเนี่ยนะผิวทุกผิวเนี่ยนะทุกขุมขนเนี่ยเป็นเปลวไฟหมดเลยเตโชธาต์เนี่ยนะไอ้ที่ทั้งในภายในด้วยเนี่ยนะร่ะางกายของเราเนี่ยมันแปรธาตุไหนมันเด่นเท่านั้นแนหะถ้าธาตุดินเด่นมากมันจะแข็งกระด้างนะถ้าธาตุไฟเด่นมันร้อนทั้งตัวเลยถ้าธาตุน้ําเด่นมากนะเดี๋ยวก็เยิ้มหมดตัวเน่าหมดถ้าธาตุลมมากก็เกรง็งหรือว่า ทำให้เรียกว่าลมเนี่ยเสียดแทงตีขึ้นพรรท่าในนรกเนี่ยนะไอ้ตัวกรรมชรูปเนี่ยเป็นเป็นอคุศนวิบากอยู่แล้วอคุสนกรรมเนี่ยนะเป็นผลของอกุสนอ่ะนะกรรมชรูปของสัตว์นรกเนี่ยแล้วไอ้โพธพารลมข้างนอกอ่ะเห็นไะเปลวเฟืิงล้นวนจําได้เวลาช่างเขาตัดตัดเหล็กเนี่ยนะเสาขนาดนี้เนี่ยเขาใช้หัวแก๊สใช้ใช้อะไรนะ เจ็บพอตัดฟาดเดียวเนี่ยนะเขาตัดเนี่ยให้มันเข้ากันแล้วเขาเป่าพวดเออมันหลุดง่ายเหมือนกันเราเป่าอะไรสักอย่างนั่งดูเขาตัดเสาเหล็กเนี่ยนะตัดขาดปึดป๊ดปึดไม่ได้โอ้โหของเรานี่นั่งเลื่อยเนี่ยนะเขาเป่าปึดปึดดนะหัวนี้เดียวเขาบอกว่าตัดเหล็กยังขนาดนั้นนี่ขนาดในในมนุษย์เนี่ยแล้วมนุษย์ถูกไฟเผาเนี่ยนะในโลกนี้เราก็พอได้ยินนะ เผาหมดตัวเลยนะเกรียมเหมือนตอตะโกหมดเลยก็ยังมีอยู่แล้วสัตว์ที่เป็นผลของสัตว์ในอบายทำไมจะไม่มีไอ้วันก่อนเนี่ยดูภาพจากจากอะไรจำไม่ได้ละมีเขาบอกว่าเราเคยอ่านเรื่องเปรตนะหวัวโตตั ว, ตวรีบพร้อมเราไปเห็นในหนังสือนั้นโอ้เปรตเป็นมนุษย์ก็มีฮนะเหนะมือนกันในคำทีท่านว่าขนาดมนุษย์นะสุขติภูมิเนี่ยยังเหมือนกับเปรตเลย เนี่ยนะจนพอเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้โหสัตว์เนี่ยไม่ไม่ธรรมดานะแล้วนี่ขนาดมนุษย์นะแล้วถ้ า, าบาลจะขนาดไหนนะแล้วในนรกเนี่ยบอกว่าภารานาไม่ถูกกันนะแต่ก็ภารานาเก่งแล้วกระแดงมาจากนั้นหรือเปล่าไม่ยังนึกอยู่ว่าโโนึกถึงพระสูตรลายสูตรนะก็บอกว่าท่านทั้งหลายอาเวจีมันก็เหมือนกับบ้านเรา น, ะนั่นแหละคำว่างั้นถ้าเราไม่ประมาทเจริญกุศลธรรมไม่ ไม่ไม่เพียงพอเนี่ยนะอย่างไรก็ต้องกลับบ้าน อ, กอีกนี่แหละบ้านเก่านะใครไม่เคยไปบ้างเพราะฉะนั้นเวลาท่านได้รับความร้อนนะเตโชาธาตุจากภายนอกเนี่ยนะท่านก็พิจารณาโอเตโชาธาตุในเวจีเนี่ยร้อนกว่านี้เยอะก็ในที่นี้ความเร่าร้อนเพราะไฟชื่อว่าอุณหังเนี่ยนะก็ในเรื่องนั้นท่านกล่าวไว้ด้วยอํานาจความเร้าร้อนอันเกิดจากพระอาทิตย์ เวลาเดินเนี่ยนนึกถึงบางทีเวลาเวลาไปธุระสักแข่งหนึ่งเนี่ยนะมันบางทีลงรถประมาณสักบ่ายสองเนี่ย อ, อากาศกำลังดีเลยลาดยางเนี่ยนะชั้นหนึ่งเลยอะ่ะเดินพักเดียวเนี่ยเท้านี่สุกเลยอะ่ะโอ้ไม่ธรรมาดามกันต้องเอาน้ำมันมารูบๆหน่อย จำได้กรุงเทพนั่นแหละครั้งหนึ่งไปดูหนังสือวัดมหาธาตุนะ น, นะก่อนจะขึ้นรถเมล์เนี่ยต้องไปยืนตากแดดอะไปยืนที่อื่นมันก็รถมันไม่จอดนะต้องไปยืนตรงนั้นพอดีฟุตบาทตอนรอนใบบ่ายเนี่ยนะชั้นหนึ่งเลยกลับมากุงเทเนี่ยนะนอนรู้สึกโหทุกขกะกายะวิญญาณเกิดหลายชั่วโมงแต่ก็นึกอีกทีหนึ่งก็เออไอเท้าอันนั้นเนี่ยมันก็อาศัยเท้านั้นก็ทําบาปมาใจน้อยเลยเคยเดินเหยียบมดตั้งใจจะเหยียบให้มันตายไ้มเนี่ยน อาศัยเท้าเนี่ยทำปาณาติบาตก็ไม่ใช่น้อยๆเอะมัน ก, มนก็มันก็สะสมดีกันเหมาะสมเหมือนกันนะแม้ว่าเอาตามเรื่องกรรมมาจับแล้วเหตุทำาไปแล้วเนาะท่านประโยคาววิบัติ ด, ด้วยเวลาอื่นตั้งเยอะแยะไม่ไปอกักบุญเลยให้ผลเลยนะก็พิษสูดแม้เมื่อไม่ได้พัดหรือน้ำดื่มเพียงสองสามมือแล้วพิจารณาการเกิดขึ้นในเปรติวิสัยของตน ในสงสารอันไม่มีที่สุดเบื้องต้นที่ตามรู้ไม่ได้แล้วนะก็พิจารณาถึงถึงอดอยากหิวโหยบ้างเนี่ยนะบางช่วงบินทบาตไม่พอฉันไม่พออยู่หรือบินทบาตไม่ได้เป็นต้นก็ตารบนะว่าโอ้ในเปรเนี่ยบนนัดนี้แล้วก็ไอหิวแบบนี้ไม่ใช่หิวชาติเดียวหรอกเราเคยหิวมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยชาติกี่พันชาติละกันในสังสารวัตอันหาที่สุดไม่ได้ ก็ไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐานและถูกสัมผัสแห่งเหลือบยุงและแดดแม้มีประมาณยิ่งถูกต้อง mm. ก็พิจารณาเข้าถึงกรรเนิดสัตว์เดระชานไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐาน้แสดงว่าไม่ไม่ธรรมดานะเห็นว่าเป็นทรัพย์จริงๆเลยนอะเห็นว่ากุศลธรรมเนี่ยเป็นอริยทรัพย์จริงๆเลยก็คิดดูนะว่าชาวโลกที่เขาทํางานเนี่ย <S <S เขาเห็นว่าเป็นซัพย์ดูที่คนทํางานที่ตามถนนนะข้างถนนเนี่ย กรมกรูแรงงานที่ทําข้างถนนเนี่ยแดดเนี่ย โ, โหสี่สิกว่าองศาเนี่ยยืนตากสบายๆเลยเขาเห็นว่าถ้าเขายืนอยู่แบบนั้นเขาได้อะไรก็ได้ซับนะได้ค่าจ้างได้ค่าแรงงานบางแห่งเนี่ยนะโรงโรงอบบางโรงเนี่ยนะมันร้อนจริงๆนะร้อนกว่าตากแดดเด็กเข้าไปพักเดียวเนี่ยนะเหงื่อเต็มตัวหมดเลยนะเขาเคยทำมาแล้วมันร้อนจริงๆนะร้อนๆอนกว่าตากแดด ด, ดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนี้ เพราะฉะนั้นความร้อนถ้าถ้ามันมากๆนะมันออกตุ่มเต็มตัวเลยเนี่ยมันร้อนเต็มที่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาบ่อยๆถึงว่าถึงร้อนข้างนอกแต่ว่าอริยทรัพย์ที่จะเกิดขึ้นภายในอ่นะเราก็ต้องทนใช่ไหมถ้าไม่ทนอะไรเกิดแทนโทสะแต่ถามว่าจะต้องไปไปหาความร้อนอย่างนี้จะได้อดทนใช่ไหมเดี๋ยว ถ้าอย่างนั้นนะับปฏิบัติผิดสูตรนี้เหมือนกันนะสูตรนี้ข้างหน้ามีกล่าวไว้จะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงนะก็ะต้องรู้หลบรู้หลีกอะไรควรอะไรไม่ควรเป็นต้นแต่ถ้าประสบอยู่แล้วเนี่ยจะแก้ไขยังไงแก้ไขด้วยการรักษาใจแต่ไม่ใช่โอโ้โหอยากจะลองความอดทนดูซิเหมือนกันไม่ต้องเอาไม้มาข้อหน้าแข่งอันหนึ่งอนะไรดูซิทนได้หรือเปล่าถ้าจะอยากลองทุกข์กันนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สัตว์ทั้งหลายทําอตตกิละมัฐานุโยก แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวินัยบางข้อเหมือนอัตากิระมัานุโยคคือเขาบอกว่าก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งเนี่ยนะเขเล่าในคำดีท่านเล่าว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยได้กลืนก้อนกรวดก้อนหินสักก้อนหนึ่งเข้าไปในปากและบอกให้เด็กคายเด็กไม่คายถามว่าพ่อแม่ที่สงสารลูกจะทํำยังไงก็ถึงก็เอามือซ้ายจับมือขวาล้วงเข้าไปในปากเนี่ยนะเลือดก็อาบออกมาถามว่าเลือดอาบปากลูกเนี่ยพ่อแม่ไม่สงสารหรือ ย, ยังไง ก็สงสารแต่ทําไมจะต้องเสียเลือดเลยจะต้องอาบเพราะมันเป็นการรักษาอย่างหนึ่งอั้นคําสอนบางสูตรก็ลักษณะเดียวกันอันการพิจารณาถึงก็ว่าเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็รู้ว่านั่นก็คือกระบวนการรักษารักษาอะไรรักษาโรคคือโลภะแน่โหโรคจริงๆ ก, กันนะจะไงจริงกันละได้และแม้จะถูกสัมผัสแห่งสัตว์เลือ้อยคลานถูกต้องก็พิจารณาถึงอัตภาพในการก่อน ซึ่งตึ้งเกลือกอยู่หลายวาระที่ปากของราชสีและเสือโคร่งเป็นต้นในสงสารมีที่สุดเบื้องต้นที่ตามไม่รู้แล้วไม่หวั่นไหวไม่ละทิ้งกรรมฐานเหมือนพระประธานนิยตระเนีย่ยนะก็นึกถึงชีวิตของเราถ้าเกิดเกิดเป็นนกเป็นเนื้อก็ถูกคาบถูกกินวันก่อนเนี่ยเดินเข้ากุเตะตอนเช้าตักอาหารเสร็จเดินเข้าไปกุเตะนะเม้งูกินเขียดตัวหนึ่งมันงับไปได้ครึ่งตัวแล้เขียดอ่ะ เขียดมันก็ร้องมันร้องมันไม่ร้องมันร้องสม่ําเสมอดีเหมือนกันนะมันไม่ร้องแบบสัตว์อื่นร้องเจ็บปวดนะเขียดเนี่ยถ้ามันร้องแบบสัตว์อื่นๆจะร้องแบบครวนครางเวลาเวลาถูกกัดเป็นต้นนะถ้าถ้าสุนัขถูกกัดเนี่ยมันจะร้องครวนครางถ้าแมวเป็นต้นถูกตีถูกอะไรมันจะร้องอย่างอื่นนะพวกหนูเป็นต้นก็จะร้องไม่มไม่เหมือนเขียดถ้าเขียดเนี่ยมันร้องเย็บเย็บมันร้องแบบเนี้ยมันร้องสม่ําเสมอแสดงว่านั่นถูกกัดนะ่นนะ ถ้ามันร้องได้เนี่ยแสดงว่ามันถูกกลืนเข้าไปประมาณเท่าเอวลวนะถ้าลึกกว่านั้นอีกมันก็ร้องไม่ออกละนี่เราก็เอาไม้ไปแยงแยงงูมันก็ปล่อยมันก็กระโดดโอ้มดีใจใหญ่เลยนี่นนะเขาบอกว่าแล้วได้ยินบ่อยนะบางทีสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเขียดแบบนี้ร้องแสดงว่าถูกถูกกินไปละร้องพักหนึ่งแล้วจะเงียบเพื่อนคนหนึ่งนี่หูดีมากเลยนะนั่งแป๊บ แ, แนั่นงูกินเขียดเพราว่าเขาเดินไปละเราไม่เห็นได้ยินเลย เขาได้ยินแล้วเขาไปปล่อยบอกปล่อยแล้วเขาว่าบางคนเนี่ยหูดีชํานาญในเรื่องเสียงเขียดมากนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ตายในปากของสัตว์อื่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะหรือพูดอีกในย่านหนึ่งเนี่ยนะคนบางภาคบางแห่งเนี่ยนะกินกินสัตว์ดิบๆเนี่ยนะกุ้งดิบๆกุ้งเต้นกุ้งอะไรเข้าตัวเล็กๆเนี่ยนะเอาในน้ํำมาจับมายัดใส่ปากได้เลยโอ้กินได้ยังไงก็เหมือนกับที่ฝรั่งกินอะไรนะตะขาบอ่ะ อ, ตอาตาขามยัดใส่ปากกินเลยเพราะฉะนั้นที่ที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อไปเกิดในอาบาเนี่ก็เป็นลักษณะนั้นก็ไม่ใช่ในน้อยเลยเราก็พิจารณาถึงว่าสังสารวัตอันมีเบื้องต้นไม่มีที่สุดมีอะไรบ้างที่เราไม่เคยเกิดเมื่อเราไม่เคยเกิดชีวิตเราก็ต้องเคยเป็นลักษณะนั้นมาแล้วเพียงแต่ว่ า, าวิชามันทําให้ละลึกชาติไม่ได้เนีย่ยนะวิชาเป็นต้นมันทําให้ปัญญาทุรพลระลึกชาติ ไ, ได้ทั้อย่าง จำอะไรไม่ได้สักอย่างที่จริงความทุกข์ที่เกิดมาในโลกนี้ก็ทุกข์มากกว่าสุขนะอย่างของามาเนี่ยจาได้ว่าทุกข์มากกว่าสุขแน่นอนนะแต่แต่ว่าเ อ, อถ้าอคาุศลมันเกิดนะมันลืมฮหเมื่อมันลืมนึกว่าเพลินๆไปพอทุกข์ได้เอาใหม่ละเอะเ อ, เ, อ, เ, อเราทำไมมันเรียกว่าไม่รู้จักเข็ดสักทีหนึ่งอะนะสังขาร น, นี่มันก็อย่างงูคือมหาภูตรูปมันก็กัดเรื่อยนะแต่ก็ไม่เข็ดสักที แล้วก็ภิกษุนั้นเพิ่งทราบว่าเป็นผู้อดทนต่อความหิวสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดเป็นต้นพะะนันจะต้องอดทนแล้วก็สามารถที่จะเจริญกุศลต่อไปอยกตัวอย่างคนที่สัมผัส อ, อดทนต่อสัมผัสเหลือบยุงลมแดดก็คืองูพิษตัวหนึ่งได้กัดพระเถระผู้กำลังนั่งฟังอริยวัง ส, สูตรกาลังนั่งฟังสูตรที่กล่าวถึงสันโดษในจีวรบินทบาท ที่อยู่อาศัยคือเสนาสนะและมีภาวนาเป็นที่มายินดีอยู่ในอังคุตรนิกายจตุการนิบาศอริยวงังสสูตรเนี่ยนะกำลังนั่งฟังพระสูตรนี้อยู่ในพระสูตรนี้เขามานิสัตธามากเลยว่าจะเอาไปอ่านบ่อยๆ <c oughs> กำลังฟังอยู่เนี่ยในเรือนทำความเพียรชื่อว่ากันนิกาในมหาวิหารชื่อว่ากันดาเวละ พระเถระแม่รู้แล้วมีจิตเลื่อมใสนั่งฟังธรรมะเป็นปกติถูกงูกัดก็รู้นะเสร็จแล้วกออ็กัดกระั่งปล่อยมันแล้วก็นั่งฟังธรรมอยู่นั่นแหละความคิดไม่เปลี่ยนเลยตอนที่งูกัดก็นั่งฟังธรรมเนี่ยนะพอรู้ว่าทุกขกาญาวิ ญ, ญญาณเกิดถ้ามานัศการกายาวิ ญ, ญญาณก็เกิดใช่ไหมก็เกิดก็รู้แล้วว่าถูกงูกัดเสรแล้วก็ไม่มานัศการเลยทิ้งปล่อยไ ป, ยปยกําลังพิษได้แรงกล้าขึ้น พระเถระได้พิจารณาถึงศีลวิธีพิจารณาเนี่ยนะก็คือพิจารณาศีลเริ่มต้นแต่มนทนอุปสมบทโทบทวนชีวิตที่เข้ามาอยู่ในเพศนักบวชยังไงแล้วเกิดปีติว่าศีลเราบริสุทธิ์เนี่ยนะก็บอกว่าปีติปรามโมทย์เนี่ยนะอาศัยความไม่วิปฏิสารอาศัยกุศลธรรมที่รักษา ม, มาก็จะทำให้เกิดปีติอย่างมีกาลังขึ้น ก็ไม่นึกไม่ออกเลยว่าตัวเองเนี่ยไปมีทุจริตทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งมาอทุจริตทางวาจาทางมารยาททางใดอย่างหนึ่งที่ผิดพลาดมาเนี่ยนะเรียกว่าหอเลี้ยงตัวเองได้ยืนยาวขนาดนั้ น, นก็ทําให้เกิดปีติและสมณัตได้พร้อมกับการบังเกิดขึ้นแห่งปีติพิษได้แล่นกลับเข้าไปในแผ่นดินเออกุศลธรรมนั้นไล่พิษออกได้นะกุศลจิตถ้ามีกําลังจริงๆไล่ได้นะ ของเราเนี่ยนะรีบดูดพิษเข้ามาเลยนะโภสามเกิดไมดูดพิษเข้ามาใหญ่เลยพระเถระได้เอกคตาจิตในที่นั้นนั่นเองเจริญวิปัสนาแล้วบรรลุเป็นพระรอรหันต์สายปีติตราโมทเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระรนะอรหันต์เลยเนอะโอ้เก่งมากก็ภิกษุใดฟังคําพูดหยาบคายและคําพูดอันสหรคตด้วยอันติมวัตถุถึงถูกเขาด่าเขาแช่งเป็นต้นเนี่ยนะก็ทนได้เหมงอนกัน จรงอันติมวัตถุนี้แปลว่าวัตถุอันเป็นที่สุดหมายถึงปรารชิกอาจจะไปถูกเขาด่าเรื่องถูกเขาโจดว่าไม่เป็นสมณะเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งมาจากที่ไกลเพราะเป็นคําพูดที่หยาบคายแลว้วพิจารณาถึงคุณของคันติพิจารณาถึงคุณของความไม่โกรธไม่หวั่นไหวด้วยอํานาจการด่าตอบอนี่นะคือไม่หวั่นไหวเพราะ ง, งั้นเขาด่ามากกวาด่าไปเราไม่ด่าตอบเขาว่าเหมือนพระทีพรพานกะอภัยเถระ คือคาว่าทีฆ่าผ่านอากาศก็คือผู้ที่สวดหรือผู้ที่สอนคาพีทีคณิกายเพราะฉามสิบสสูตรเนี่ยนะทีคณิกาเนี่ยประมาณ6เล่มเนี่ยท่านจําได้หมดคือท่านสอนวิชานี้นะไม่ใช่ว่าท่านไม่รู้อย่างอื่นนะท่านก็แตกฉานทาตายปิดอกแต่ว่าท่านสอนทีคณิกายเป็นพิเศษัน ภิกษุนี้นั้นบัณฑิตเพิ่งทราบว่าเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคําหยาบซึ่งมาแต่ไกลได้ยกตัวอย่างนะถึงถูกเขาต่อเ ข, เขาว่าเขาด่ายังไงก็ไม่โกรธเนี่ยนะของอมานี่อย่าลองกันแล้วกันลองไม่ได้เลยอ่ะอได้ยินว่าพระเถระกล่าวมหาอรยิยอริยวังสปฏิปทาเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการเจริญสันโดษ ด, ด้วยปัจจัยคือ จริงปัจจัยสันโดษสามเนี่ยนะก็คือวิ่ไน่นั่นเองสันโดษด้วยจีวลบิธาบาตเสนาสนะเรียกว่าวินัยปิดกยินดีในภาวนายินดีในการละบาปก็คือสุตตามตาปิดกและอภิธรรมปิดกนั่นเองชาวบ้านทั้งหมดต่างก็พากันมาโอ้ชาวบ้านในฟังมหาริยวังศ์อยากจะรู้โอ้วงของพระริยะท่านเป็นยังไงเนะาะอยากฟังมีศรัทธามัง่งก็พากันมาเยอะ มหาสการะได้บังเกิดขึ้นแก่พระธีระมาก็ไม่ได้มาตัวเปล่ากันใช่ไหมมีดอกไม้มีของหอมมีผ้ามีอะไรมาก็ลาบสการะก็เกิดขึ้นแก่พระทีฆะพานกะอภัยเถระนี่มากพระมหาเถระบางรูปมหาเถระก็พรรษา20เกิน20ขึ้นไปเรียกมหาเถระบางรูปอดกลั้นสกการะนั้นไม่ได้อเห็นแล้วฤตษยามันเกิดขึ้นนะนะไม่อดทนก็คือเห็นคนอื่นได้ดีแล้วไม่เกิดมุทิตา ตรงกันข้ามริษยามันเกิดขึ้นริษยาเนี่ยมันเกิดขึ้นในลักษณะหนึ่งก็คือคิดว่าขอความอัศจรรย์นั้นจงบังเกิดมีแกเราแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะเรียกว่าเห็นคนได้ดีเกินไม่ได้อยากให้ตัวเองเป็นคนพิเศษอยู่คนเดียวคนอื่นพิเศษไม่ได้ลักษณะนั้นเรียกว่าริษยานะความคิดอันนั้นเรียกริษยากิเลสสายโทสะพออดทนไม่ได้เขาก็ด่าด่าโดยนายเป็นต้นว่านะวิธีด่าเขานะแหม เหมือนกั น, น, นาพระธีฆภานกะเนี่ยก่อวุ่นวายขึ้นตลอดทั้งคืนเลยนะทําเป็นมาจัดงานเหมงอนกันเถอะกล่าวว่าจ้าว่าจะกล่าวอริยะวงเนี่ยนะคนนั่งด่าไปนั่งบ่นไปอยู่ทั้งคืนเนี่ยนะโอ้มีเสียงด่าเนี่ยนะโทสะเกิดทั้งคืนด่าคนมีศนะีลเนาะดวงที่หนึ่งให้ผลในชาตินะั้นลวงที่7ชาติหน้าสองถึง6ผลชาติที่สามเป็นต้นดา่าพระอริยะด้วยมั้งเนี่ยโอ้ตัวใครกับตัวใครไม่มุติตาด้วยนะนั่งด่าทั้งคืนเนี่ยคิดดูบาปดีทั้งหรือ ก็พระเถระทั้งสองรูปนั้ น, เ, นเวลาเดินทางกลับไปสู่วิหารของตนแล้วก็ได้เดินร่วมทางเดียวกันไปสิน้นหนทางประมาณขาพุตธหนึ่งเนี่ขากลับนี่ต้องเดินรูปสององเนี่ยนะต้องเดินกลับด้วยกันด้วยน ะ, อ, นนะองค์ที่ที่ด่ากับองค์ที่เทศเนี่ยไปด้วยกันพระเถระนั้นก็ได้ด่าพระทีข้าพานกะแม่ทุกๆขาพุทด่าทุกกิโลเมตรว่า ง, งั้นเถอ ทรันแล้วพระทีฆ่าผานากาก็ยืนอยู่ในที่ที่หนทางของวิหารทั้งสองแยกกันพจริงก็เป็นเจ้าวัดคนละวัดเนี่ยนะแต่ก็ไปกล่าวอีกที่หนึ่งข้ า, ข า, ขาก็นิมนต์ไปเทศงานหนึ่งอย่างเงี้ยนะก็ต้องเดินทางกลับด้วยกันทีนี้พอแยกกันก็ไหว้พระเทระนั้นแล้วกล่าววา่าท่านผู้เจริญ น, นี้เป็นทางของท่านดังนี้คือพระธีฆ่าภานากเนี่ยอายุพรรษาท่านน้อยกว่าพระมหาเทระองคนะ์นั้นนะก็ไหว้แล้วเออนิมนต์พระคุณเจ้าทางนี้นะผมไปทางนี้ละ พระเถระนั้นก็เดินทำเป็นเหมือนไม่ได้ยินโกรธมากเลยนะมันโท่สะมันเกิดเห็นเมื่อไหร่ก็เหมือนกับน้ำยอกตาเลยอย่างงั้นทำเป็นไม่ได้ยินสักอย่างฝ่ายพระทีค้าพานกะเถระไปถึงวิหารลา้างเท้าแล้วก็นั่งอันเตวัสิกคือลูกศิษย์เนี่ยนะก็ได้กล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญอะไรกันทำไมท่านจึงไม่กล่าวอะไรอะไรกับพระเถระซึ่งดาบริพาทท่านทุกุกขาว โอ้ยทนได้ยังไงเนี่ยเขาด่าจาย์ไม่ด่าตอบเพร่อนบ้งเลยว่า ง, งั้นคล้ายๆแบบนี้นะพระเถรซก็ตอบว่าอวุโสความอดทนเป็นหน้าที่ของเราความไม่อดทนหาใช่เป็นหน้าที่ของเราไม่กิจของเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนเรื่องความอดทนใช่ไหมดูความพิสูจนทั้งหลายคนพวกอื่นจะกล่าวตีเราตีพระธรรมตีพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายอย่าได้อาคาตพยาบาทแค้นเคืองในคนเหล่านั้นเลยว่า ง, งั้นะนะหรือว่า คนที่เอาเลื่อยมีมีด้ามสองข้างมาเลื่อยใช่ไหมผู้ที่ยังจิตให้โกรธก็เชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามโอาวาทของพระองค์เลยเนะเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่เนื้อโกรธอะไรเลยนะท่านก็เจริญกรรมฐานไปแล้วบอกว่าเราเองไม่เคยเห็นการพลาดจากกรรมฐานของเราแม้ในการยกเท้าข้างหนึ่งพระทีฆภานกะอภัยเถระรูปนี้เนี่ยนะเก้หนึ่งเ้าเนี่ยต้องมีกรรมฐานอยู่ด้วยในนั้นนะ มีธรรมะอยู่ในนั้นตลอดโอ้มีเวลาโกรธอะนะมีแต่เวลาคิดธรรมะอย่างเดียวนะเพราหมดแต่คิดธรรมะเลยไม่ลืมไม่ทันโกรธเลยเนาะแล้วท่านก็บอกว่าในที่นี้ควรทราบว่าถ้อยคํานั้นแหละชื่อว่าถูกต้องทำทํานองคลองทำที่จริงควรจะเป็นใน ล, ลักษณะนั้นใช่ไหมในมหาธิปโทรปรมัสสูตรเนี่ยกล่าวถึงเวลาเขาด่ามาเนี่ยให้กําหนด นะพิจารณาสงเคราะห์ลงวัตถุวิญญาณอารมณ์เป็นต้นนะในในทางขณะที่ถูกด่าเป็นต้นนะในมหาอธิปโทรประมาสูตรแล้วก็เมื่อสงเคราะห์วัตถุวิญญาณอารมณ์เจ็บสงเคราะห์โดยความเป็นขันลงไปเนี่ยนะสงเคราะห์โดยความเป็นขันบ่อยๆท่านก็บอกว่าวิธีอันนี้ก็เหมือนกับในอัตตะถามหาสติปทานสูตรที่กล่าวถึงอ่าสัมปชัญญะบัพพะในขณะแลเหลียวเนี่ยนะกนะ็สงเคราะห์โดยความเป็นขันาาธาตุยตนาสัจจะนั่นแหละ สงเคราะห์ลงไปในขณะที่ถูกด่าอะไรเกิดขึ้นบ้างธรรมะอะไรเกิดขึ้นบ้างเออมัวแต่นึกธรรมะอย่างนี้เลยลืมกโกรธเลยนะแต่ถ้าลืมธรรมะอะไรแทนโกรธเกิดขึ้นแทนนะที่ยังยังคุยกับสนทนากับครูทองคําบอกว่าเออนะถ้าเราคิดถึงธรรมะเราก็ลืมเจ็บอะถ้าเราคิดถึงเจ็บเราก็ลืมธรรมะเอาอะไรเอาธรรมเอาธรรมไม่รู้สวดมนต์ไปถึงไหนยังไม่ได้ไปติดตามเขาวเลยการไปดูแล้วเป็นไงบ้าง คุณครูทองคำนี้เป็นผู้ที่มีบุญพอสมควรนะครับก็พระอาจารย์ไปเยี่ยมบอกว่าตั้งแต่ป่วยมาเนะครับเราให้เทพสองม้วนนะครับมวนแรกก็คือบทสวดเป็นสาบารีแลอีกมวลหนึ่งเป็นเทพของท่านไม่ได้ฟังเลยนะครับตั้งแต่บาดปพระอาจารย์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลถ้ากลับไปถึงบ้านสองสามวันไปเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งเทพไม่รู้หายไปไหน ลืมนะลืมหมดเลยที่เก็บอย่างเดียวอาจารย์ก็ไปแสดงทำให้ฟังนะตอนหลังนี่ท่าน <c oughs> ก็ได้รับเทคอีกมวหนึ่งเรียกว่าราหงูโลสูตรใช่ไหมครับราหโลวทะทสุดครับเอาไปให้แล้วก็องค์จะได้รับฟังนะอตอนนี้ก็คิดถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆคุณอยู่ตลอดเวลาครับดีแล้วนะ แล้วต่ออีกหน่อยนะว่าเรื่องของเวทนาที่ละได้ด้วยความอดกลั้นเนี่ยนะเวทนาร่างกายชื่อว่าทุกเพราะอธิบาเป็นเหตุให้ถึงทุกเนี่ยนะคือทุกกายแล้วก็ต่อด้วยปฏิฆานุสัยน่นอนเนื่องในทุกขเวทนาและอปิยรูปอาสาตูปฟังกันถ้าหากว่าทุกขากาย ญ, ญาณญยาณอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดเนี่ยนะ สิ่งนั้นชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นอารัมมะปัจจัยของโทสะและเป็นอุปนิสัยของโทสะด้วยสิ่งที่ไม่น่ายินดีไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาที่เราไม่ชอบนะสิ่งนั้นแหละเป็นอารัมมะปัจจัยของโทสะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวทนาร่างกายที่เป็นทุกข์เนี่ยนะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ชื่อว่านาเพราะว่าหนาแน่นชื่อว่าแข็งเพราะว่วาหยาบชื่อว่ากล้าเพราะคม ชื่อว่าไม่น่ายินดีเพราะเว้นจากความยินดีเชื่อว่าไม่น่าชอบใจเพราะอาจว่าไม่เป็นที่เริญใจชื่อว่าเป็นเครื่องค่าชีวิตได้ภิกษุใดอดกลั้นเวทนานั้นได้คือไม่หวั่นไหวได้แก่ดำรงตามปกติเหมือนพระประธานิยธิระผู้อยู่ที่จิตละดาบรรพศง้นพนนนิกษุนี้เพิ่งทราบว่าเป็นผู้มีปกติอดกลั้นสิ่งต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในพระมหาพระประธานิยเิระ ประธานนิยาก็คือพระเถระที่ตั้งความเพียรนะนะอาจจะเป็นชื่อในลักษณะตำแหน่งว่าใครก็ตามที่มีความเพียรพยายามในการเจริญกุศลชื่อว่าพระประธานิยา่าได้ยินว่าเมื่อพระเถระยืนบาเพ็ญเพียรอยู่ตลอดคืน oh. ยืนนะยืนคิดธรรมะอย่างเดียวนะยืนปารบธรรมะอย่างเดียวเนี่ยลมในท้องก็เกิดขึ้นท้องขึ้นเลยเนาะไม่สามารถจะอดกลั้นลมนั้นได้ จึงได้บิดไปบิดมานะมันลมมันแรงอะนะต้องบิดเอาอะพระเทระผู้ถือการเที่ยวบินทบาตเป็นวัดรูปหนึ่งยืนอยู่ข้างที่จงกรมจึงกล่าวกับท่านว่านะเห็นพระเดินมาข้างๆก็บอกว่าอาวุโสธรรมดาบรรพชิตเป็นผู้มีปกติอดกลั้นดังนี้บรรพชิตควรอดทนนะเนาะพระเทระนั้นรับว่าสาธุพันเตว่างนันตีแล้วท่านผู้เจริญดังนี้แล้วก็ได้นอนสงบนิ่งไม่ไหวติงเลย คือนอนบิดอยู่แล้วทีแรกก็ น, นอนบิดแล้วก็นอนนิ่งลมได้แล่นเสียดหัวใจไปจนถึงนาพีเสียแต่หัวใจไปถึงท้องพภาเทระขมเวทนาเจริญวิปัสนาเพียงชั่วครู่ก็ได้เป็นพระอนาคามีแล้วปรินิพานเป็นพระอนาคามีแล้วก็เจริญมิปัสนาเป็นพระอนาคามีแล้วก็นิพานเจออีกองคหนึ่งนะไม่รู้อ่านเจอที่ไหนบอกว่าท่านเนี่ยนอนกุ้มท้องบิดไปบิดมาเนี่ย รวมหนึ่งก็บอกว่าท่านผู้เจริญธรรมดาสำมัญาควรอดทนนี่ไม่ใช่หรือบอกทนแค่นี้พอไม่พอปล่อยมือเนี่ยใสทารักเลยว่างั้นทนแค่นี้พอหรือเปล่าว่างั้นใส่หลุดจากท้องเลยนะสนแสดงล้วท่านเห็นคุณค่าของการเจริญกุศลธรรมจริงๆท่านเหล่านั้นตายก็เหมือนไม่ตายนะแต่คนที่ไม่ปวดไม่เจ็บอะไรเลยตายก็เหมือนตายอีกนั่นแหละ ตายจากโลกนี้ด้วยก็ตายจากสุขคติด้วยแต่อย่าลืมว่าพระที่ที่ยกตัวอย่างมาเหล่านี้นะแต่และองค์เนี่ยก็บอกว่าสวรรค์ไม่ใช่เป็นของยากอะไรสาหรับท่านบางองค์ก็บอกว่าท่านรู้สึกระอิระอาหเหลือกเกินที่จะต้องไปสวรรค์อะไรแบบนี้เพราะท่านรังเกียจสังสารวัตรมากถ้าหากว่าคนที่เจริญกระสินประเภทมหามหาพูดกระสินบ่อยๆเนี่ยนะยกตัวอย่างเออขออภัย จรียเรื่องมหาภูต ร, รูปบ่อยนะว่าทุกอย่างที่เราเห็นก็คือสีของมหาภู ต, ร, ร, นะต ร, รูปเนี่ยนะมหาภูตารูปพระองค์อุปมาเหมือนกับอสสารพิษสีตัวมหาภูต ร, รูปเหล่านี้ถ้าเกิดร่วมกับตานะเป็นเป็นที่ใสเรียกว่าเป็นที่อาศัยเกิดของตาเรียกอะไรตานี่เหมือนกับอะไรบ้านร้างมหาภูต ร, รูปเหมือนอสสารพิษสร้างบ้านขึ้นเป็นบ้านงูนะมันเป็นยังไงนะบ้านงู บ้านเป็นรูปงูหมดเลยเนาะเสร็จแล้วโจนก็มาปล้นโจนก็มหาภูตรูปอีกนั่นแหละเป็นสีเป็นอะไรเป็นต้นก็คือมหาภูตรูปันนะโจนปล้นบ้านงูงั้นแล้วก็มีนักเล่นกลอยู่ตรงนั้นอะไรเป็นนักเล่นกลจีนยานก็เหมือนกันนักเล่นกลเหมือ น, นันักเล่นกลเนี่ยนะเล่นเป็นฟองนะ้าเป็นต่อมนะ้าเหมือนกับเวทนาขันนะแล้วก็เล่นเพลงพลงนะเล่นเรียกว่าเล่น เอาต้นกล้วยมาทำเป็นฟองน้ำต้นกล้วยคืออะไรสังขารขันเนี่ยมาเล่นเป็นฟองน้ำเหมือนกับเวทนาเสร็จแล้วบ้านไฟไหม้เลยพบสามลูกเป็นไฟไหม้หมดต้องหนีกันนะแล้วก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้แต่ว่าท่านเห็นโทษจริงๆอย่างนั้นเถอะของเราก็ได้อนุมานจินตนาการตามท่านโอ้คงเป็นอย่างนั้นแน่งงน อ, อย่างนั้นโอ้อางนั้นมีอะไรน่า ย, ยินดีสักอย่างอะนะ แต่ว่าเราไม่สามารถอ บ, บรมสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติเหมือนท่านเพราะไอ้ความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยนะท่านเกิดกับชีวิตของท่านตลอดเขาเรียกว่าสัพพะโลเกอนาภิรตสัญญาการเจริญสัญญาข้อหนึ่งในสัญญาสิบประการก็คือว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายินดีสักอย่างแล้วไม่ใช่ยินดีความคิดอันนั้นด้วยนะแม้แต่ความคิดอันนั้นก็ไม่ยินดีะนะถามว่าถ้าดอกบัวยินดีในน้ําและโคลนตมเนี่ยนะจะพลดดอกพนพลน้นําพลโคลนตมได้ไหม พ้นไม่ได้นะจิตใดก็เหมือนกันถ้ายังยินดีในโลกิยธรรมอยู่จิตเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากโลกิยะเป็นโลกุตระธรรมได้เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่ากลัวเนี่ยนะไม่ใช่โกรธนะไม่ใช่เกลียดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยน่ารังเกียจเพราะเห็นความเป็นปลายของสังขารธรรมเนี่ยเป็นอย่างดีว่าสิ่งเหล่านี้มีโทษหรือไม่มีโทษเนนะ เที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ควรไหมที่จะตามเห็นว่าน่ายินดีน่าพอใจหน้าเพลิดเพลินก็เหมือนกับว่าธรรมะเราใดที่ไม่ก่อให้เกิดทุกขโทมนัตอุปายาตเนี่ยมีไหมเนี่ยนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปยินดีในอารมณ์ใดๆอารมณ์นั้นนนั้ก็จะก่อให้เกิดทุกขโทมนัตและอุปายาตเกิดความคับแคนเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านั้นแปรไปเพราะว่า ในสิ่งที่เรายินดีส่วนใหญ่แล้วที่เหมือนเดิมเนี่ยมีไหมไม่มีเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรใจเราก็ก็แปรด้วยเพราะว่าสมมติว่าเรายินดีในสิ่งนี้นะถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราก็ยินดีเหมนนแต่ถ้าแปรไปล่ะเป็นอย่างอื่นไปความแปลไปของสิ่งนี้ใจเราก็แปลไปด้วยเนี่ยนะวิถีจิตของเราก็แปลไปด้วยจากโลภะเป็นโทสะโลภะเป็นสัจจะไหมสัจจะ สมุทัยสัตว์นะทศกษัรเกิดทุกษัตริยนะ์เกิ ด, กกดแล้วก่เมื่อไรจะพ้นสัจจะสักทีหนึ่ง น, นะก็อยู่จริงนะสัจจะในจริงนะแต่ว่าความจริงบางอย่างพระองค์บอกว่าปริญญาสามนะความจริงบางอย่างก็ต้องรีบละนะเหมือนกับไฟไหม้บนศีรษะเนี่ยนะปล่อยไม่ได้โกนชันโยมมรนังสุเวห์ว่า้ัน ความเพียรควรทำในวันนี้แหละใครเล่าจากรู้จักความตายในวันพรุ่งนะคนที่ตายเนี่ยนะเขาเคยบอกไม่ว่าโอ้ฉันจะไปแล้วนะหายากนะคนที่ตายส่วนใหญ่เขาก็าไม่พร้อมจะตายเหมือนเรานี่แหละนะวันนี้ก็คงใช้เวลาเท่านี้